50 languages. 89ยัประโยคคาสั่ง๑วิธีรูปะวคุณขี้เกียจเหลือเกินอย่าขี้เกียจนักเลยนี่หนูตุ่มบาโซมารี อสตูโสมารียังกินอะไรเบดคุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึกนีนูตุ่มบ้านิ่เดรมาดุติยาอสตูนิดเดยมาดเบย์ดาคุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึกนีนูตุ่มบ้าทัดวากิบรุติยาอสตูทัดวากีบรเบย์ดาคุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสินี่นู้ตุ้มบาโจโอรากีนักุตติยออสตุจโอรากีนักเบดะคุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสินี่นู้ตุ้มบาเมดูวากีมาตนาดุตตยาอสตุเมดูวากีมาตนาดะเบดะคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิ นิโน่ตุมบา้ากุฎีติยาอสตุเหตจูคุฎีเบดะคุณสู่บุหรี่มากเกินไปแล้วอย่าสู่บุหรี่มากนักเลยนิโนูตุมบ้าดูมปานาหมาดุติยาอสตุ h ูมปานาหมาดะเบดะคุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไปนิโนูตุมบ้าเคลสัมมาดุติย อสตุเคลสมาดเบดาคุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลยนีนูกาดีนูตุงบาเวกาวากีโวดิสุตติยอชตุเวกาวากีโวดิสเบดาลุกขึ้นขาคุณมิวเลอร์เยดเดยลีมิลลระเดชชิญนั่งขาะคุณมิวเลอร์ คุณตุกุลีมินลารวเรนั่งต่อค่ะคุณมิวเลอร์คุิตุกุลเดียีมิลลารวเรใจเย็นๆนะคะสวัลปาสหนีอินดีรีมีเวลาไม่ต้องรีบนิมเกะเบคาดชตูสมัยอาติตย์กุลีรอสักครู่นะคะ วันดนิมิชากายรีระวังนะคะพุชารากิริกรุณามาให้ตรงเวลานะคะสมยอเกศริยากิบันนีอย่างโง่มูรขนากิระเบด